ในานามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งรับผิดชอบโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและจัดกิจกรรมหนึ่งทศวรรษครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนขออนุโมทนา ส่วนราชการที่สนับสนุนกิจการครั้งนี้ให้สำเร็จด้วยดีทั้งส่วนที่เป็นสถานศึกษาและสำนักงานคณะ ก, กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสำนักงานการอาชีวศึกษา และส่วนราชการและโรงเรียนที่สังกัดที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมอันนี้เป็นการสร้างโอกาสอันงดงามในชีวิตของนักเรียนทั้งหลายที่ผ่านการทดสอบในระดับภาค คณะสงฆ์สิบแปดภาคจนมาถึงรอบสุดท้ายในระดับประเทศทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีพุทธภาษิตว่า วายเมเทวะปุริโสยาวัธถะนิปทาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่บไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนานิพันนโสพิโนอัธถาสิ่งที่ปรารถนางดงามเมื่อทำสำเร็จขันตยาพิโยนวิชิติก เพื่อความสำเร็จไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความอดทนมาถึงจุดนี้พวกเราทุกคนทนลำบากทนตากตรำทนเจ็ดใจทนผิดหวังแม้ว่ารางวัลแห่งความสำเร็จจะไม่ได้เป็นของพวกเราทุกคน แต่ความสำเร็จที่พาเรามาถึงจุดนี้เป็นฐานแห่งการเดินก้าวต่อไปเพราะสร้างลักษณะ น, นิสัยแห่งความขยันอดทนเป็นคนดีพวกเราทุกคนจึงควรชื่นชมยินดีกับตนเอง ในการที่เราได้มาถึงจุดนี้และจดจำประสบการณ์ที่มาอยู่ร่วมกันที่นี่สร้างมิตรไมตรีแห่งชีวิตและรู้จักแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนซึ่งพวกเรา มาอยู่กันตรงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัรังกูลสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวงศ์สาขตาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้สำนึกในพระเมตตาคุณและปฏิ ญ, ญาณตนเป็นพุทธมามะกะัที่ดี ตั้งใจทำหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณสนองพระเมตตาคุณสืกต่อไปในานามของมหาวิทยาลัยจึงขออนุโมทนาชื่นชมเยนดีทุกฝ่ายที่ได้เสียสละในทุกประเด็น จนมาเป็นบรรยากาศโอกาสอัน ง, งดงามณบัดนี้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันถวายเป็นพระราชุทธศลด้วยการอ้างคุนภาษีรัตนไตรและ บารมีแห่งธรรมทานที่ได้ศึกษาและเล่าเรียนธรรมะได้สอนธรรมะขอจงมารวมกันเป็นสบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุญยเดชบรมนาถบาพิษและขอคุณพระรีรัตนตรพร้อมมหานิสงแห่งธรรมทานทั้งปวงนี้ได้เป็นได้รวมกันเป็นพระพรชัยมงคลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางคูณ พระบรมวงศานุวงศ์ขอให้ทรงพระเจริจรญยิ่งยืนนานยิ่งด้วยพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนอมสุขทุกประการสถิตมิรันในมหายสวรรค์เป็นฉัดแก้วปกเกล้าปกหมบมของพระศพนิกรชาวไทย ตลอดจิรัติิติการเทิน